ผู้ท้วสวัสดีค่ะท่านฟังที่ 5 ค่ะดิฉันสรรณีณพงนะคะเนี่ยมีพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโณ ที่ TOT วันนั้นเน็ตล่มโชคดีก็กอบกู้ได้ทันจนๆกันเลยนะคะนมัสการนะท่านคะ แล้วก็ได้คือหลังจากที่มาบวช แล้วก็จะต้องมีระบบในการที่รับสมัครต่างๆก็เลยเริ่มติดอินเทอร์เน็ตตอนนั้นมันค่ะฟังแบบนี้ดู ใช้เครื่องไม้ๆก็เป็นห่วงพระๆแล้วใช้ได้หรือคือเรื่องของการดูการเล่นอันเช่นการเรียนอีเมลโทรศัพท์ก็ ในขณะเดียวกันสื่อที่ไม่ดีมันก็มีนะเอ่อสื่อลามกเว็บมินเว็บโปโอ้มีเยอะแยะเพราะเลยอย่างที่วัดป่า นอย่างสมมุติถ้าเป็นคารวาทอย่างเงี้ยคุณเอ่อเปิดเต็มที่รักษาศีล <คะ. S 1> 8 เนี่ย 8 ข้อ 1 นะต้องระวังคือเช่นตีมวยอย่างงี้เอ่อ <คะ. S 1> พระดูทีวีดูข่าวได้มั้ยคะท่านคะเอ่อข่าวนี่ๆๆคือคือดูสมมุติแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่งทับ เอ่อแล้วก็เราดูการลบของเค้าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะเหมือนกับตีมวยแข่งฟุตบอล อ่าบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการต่อสู้กันแข่งขันกัน 2 ฝ่ายอันนี้ก่อให้เกิดกุศลธรรม แทบจะพูดไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าคะ เรื่องโจรเรื่องอำมาตย์เรื่องทหารเรื่องของหน้ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องระเบียบ โอ้ท่านก็ดิฉันเข้าใจว่าพระสงฆ์คงจะนานๆครั้งที่จะพูดถึงเรื่องมหาสมุทรแต่จังหวัดอ่ะคุณโยมติวคิดดูเรื่องจังหวัด ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าพระอยู่ร่วมกับสังคมอ่าเรื่องเรื่องบ้านละอ่าท่านขาดิฉันซื้อ ไม่เลิกเรื่องไม่ได้เลยนะคะท่านค่ะเนี่ยเขาว่าสีแดงแต่ดิฉันก็ไม่รู้จะซื้อสีอะไรเพราะมีแต่สีแดงที่ดูสวยอืมอ่าท่านช่วยทําอะไรสักหน่อย เช่นนี้ๆคือความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้ๆคือใช่มั้ยเช่นเรื่อง การปรารภความเปลี่ยนเรื่องการปรารถนาน้อยเรื่องให้ตั้งอยู่อะไรก็แต่สมมุติชาวบ้านมาชวนพูดเอ่อ <Okay. S 1> แล้วหรือธรรมะอะไรที่มันจะมาแอพพลายใช้กับสถานการณ์ของเค้า ค่ะมันก็จะจบได้ทําไมพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่จบเพราะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความไหนทุกไม่ได้เป็นไปเพื่อความใคร่กําหนัดแล้วก็ไม่อ่ะพรุ่งนี้จะกินอะไรดีโอ๊ยก็เป็น ไม่เคยรู้เรื่องเวลาไปหาพระอยากจะอือหรือฉันชาอือท่านครับอือดิฉัน ก็ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะเอ่อสมมุติอย่างพระมันก็พระ การต้องฉันแต่ผักเลยนะคะอย่างอื่นไปอ่าเพราะว่าได้เอ่ยชื่อไปแล้วก็จะต้องเป็น ทำบาปพาคงฉันได้แต่ข้าวเลยค่ะเค้าบอกว่าเอ่อพรุ่งเนี้ยกระผมจะมาทําอาหารที่วัดเอ่อท่านอยากฉันอะไรอาตมาปุ๊บลอตช่องเรา ก็ก็เอามาเราก็ฉันได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้บอกโอเคนี่ใช่มั้ยถึงแม้เค้าเอ่ยชื่อรดช่องก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านก็ก็ไม่ได้เป็นอ่ะเพราะว่าอ่าซึ่งก็จะ นะคะๆแล้วก็ต้องประณีตไปทุกอย่างอันนี้ศีลนักหนาเลยนะครับประทานโทษค่ะที่จะต้องห้ามอย่างละเอียดอย่างเงี้ยท่านมีเหตุผลมั้ยคะ ก็ก็เลยเป็นต้นบัญญัติมาตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีของโยมติ๋วเนี่ยก็ใช่มั้ยอีกอันนึง ถูกธาตุมากกว่ากาแฟอย่างเงี้ยก็กันค่ะเอ่อเพราะสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าท่านท่านท่านดิฉันสมมุติให้ท่านสมมุติได้มั้ยคะท่านช่วยกรุณาบอกหน่อย อ๋อค่ะคือจะค่ะอืมเอ่อเวลาใกล้จะได้ๆๆค่ะวันนี้นะมัสิกานขอบพระๆ เราจากข้อเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยเราควรจะรู้ว่าพระสงฆ์ทําอะไรได้ไม่ได้แค่ไหนอย่าง หายยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วเราก็ได้ FM 106 พร้อมข่าว